5. คขหะปฏิวักหมวดว่าด้วยขหะบดี 1. ปัญจเวระพยาสูตรว่าด้วยภัยเวรห้าประการ 41. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านอนาถบินทิกะขหะบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถบินทิกะขหบดีดังนี้ว่าขหบดีเมื่อใดแลภัยเวรห้าประการนี้ของอริยาสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยาสาวกผู้ประกอบได้ทำที่เป็นองค์แห่งโสดาปฏิพนสี่ประการและยายธรรมอันประเสริฐที่อริยาสาวกนั้นเห็นดีแล้ว แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนได้ตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้ตรัสรู้ภายหน้าอย่างแน่นอนภายเวรห้าประการสงบแล้วเป็นอย่างไรคือหนึ่งบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภายเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเศรษทุกโทมนัด ท, ทางใจบ้างเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยภายเวรนั้นของอริยาสาวกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ สงบแล้วด้วยประการชนิดสบุคคลผู้ลักทรัพย์ย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกทมนัดทางใจบ้างเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเวรภัยนั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์สงบแล้วด้วยประการชนีดสบุคคลผู้ประพฤติผิดในกาม ย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัตทางใจบ้างเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยภัยเวร น, นั้นของอริยาสาวกผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามสงบแล้วด้วยประการเชนนี้สบุคคลผู้พูดเท็จย่อมประสบภัยเวรใด ซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการพูดเทจเป็นปัจจัยภายเวนนั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการพูดเทจสงบแล้วด้วยประการชนิดห้ 5. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะการเสพของมืนเมาคือสุราและเมลไรย่ยอมประสบภัยเวรใด ซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างสวยทุกโทมนัตทางใจบ้างเพราะการเสพของมืนเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยภายเวนนั้นของอริยสาวกผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทสงบแล้วด้วยประการเชนนี้ ภายเวรห้าประการนี้สงบแล้วอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปติผลสี่ประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตรัดสรู้พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณาเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ออริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว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 ที่พระอริยปรารถนาอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวีนอยู่ชนสารเสริญอันตัญหาและทิฏฐิถูกต้องไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิอริยาสาวกผู้ประกอบได้ทำรรที่เป็นองค์แห่งโสดาปติพลสี่ประการ น, นี้ญาธธรรมอันประเสรศิฐที่อริยาสาวกเห็นดีแล้ว แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือขหา บ, บดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมมณสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ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 มีได้ด้วยประการชนนี้ยายธรรมอันประเสริฐนี้อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาขะบดีเมื่อใดแลภายวนห้าประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกผู้ประกอบได้ทำรรที่เป็นองค์แห่งโสดาปฏิผลดสี่ประการ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 มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้จะตรัสรู้ภายหน้าอย่างแน่นอนปัญจเวรพยสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยะปัญจเวรพยสูตรว่าด้วยภัยเวรหประการสูตรที่สอง 42. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ภิกษุทั้งหลายเมื่อดายแลภัยเวรห้าประการนี้ของอริยาสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยาสาวกผู้ประกอบได้ธทรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปติผลสี่ประการละญาตธรรมอันประเสริฐที่อริยาสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยาสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่า เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้จะตรัสรู้ภายหน้าอย่างแน่นอนภายเวรห้าประการสงบแล้วเป็นอย่างไรคือหนึ่งบุคคลผู้ฆ่าสัตว์สองบุคคลผู้ลักทรัพย์สามบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามสี่บุคคลผู้พูดเท็จห้าบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาท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 3. ในพระสงฆ์สอริยาสาวกผู้ประกอบได้ศีลที่พระอริยปรารถนาอริยาสาวกผู้ประกอบได้ธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปติพลสี่ประการนี้ยายยธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมมณสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายภิกษุทั้งหลายยายธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเมื่อไดแลภัยเวรห้าประการนี้ของอริยสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกผู้ประกอบได้ทำที่เป็นองค์แห่งโสดาปติปผลสี่ประการนี้